หกสิบสีอรุณวันอการปฏิเสธหนึ่งเยดิมดิฉันไม่เข้าใจคำศัพท์เยนักยินดบวรไทยพูรียาวเลยดิฉันไม่เข้าใจประโยค ย, vacuum, ยา க ் க ு இந்த வ ா க ் க ย ய ம ் புரியவில்லை ดิฉันไม่เข้าใจความหมาย எனக்கு இதன் அ อ் த ் த ம ் ப ு ர ிย வ ி ல ் ல ை่คุณครูออสเ ரிய คุณเข้าใจคุณครูไหมคะ உங்களுக்கு อ, อ, อสเตรียรส์ส่งวัตถุพูดีกีรดค่ะดิฉันเข้าใจท่านดี อมยานักเ อ, อาวรสลวัตนันราห์พูดขีดระดัคุณครู ஆ อிเรียรคุณเข้าใจคุณครูไหมคะ உங்களுக்கு ஆ ச ி ர ி ய ี் ச ொ ல ั வ த ு ப ு ர ดรி ற த ாค่ะดิฉันเข้าใจท่านดีอมยานักเ อ, อาวรสลวัตนันร்ห์พูดขีดระดั ผู้คนมณฑลกรคุณเข้าใจผู้คนไหมคะุงกุลก็อินด้มนิรลรดเลยผู้รีฮิระดะไม่ดิฉันไม่เข้าใจพวกเขาสักเท่าไหรค่ค่ะไม่ยันักอวบกรดเลยอวบบลับวันนัออววน้นร่าพูดียะเวลัเพื่อนหญิงแฟน ีคุณมีแฟนไหมุงลดกุเยดุมทอรีอ่รีกิรา่าลาะค่ะดิฉันมีออมรีกิราลลูกสาวมักลคุณมีลูกสาวใช่ไหมุณกักลดกุมักลรีิร่าล่ ไม่ดีฉันไม่มีลูกสาวอิเล่ย์ยันคือ Mother อิเล่ย